สีสังขารขันทุกขบุลุกวาน92้บสอันดาขันห้านั้นสังขารขันเป็นไฉนสังขารขันหมวดละ1ได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันหมวดละ3ได้แก่สังขารขันที่เป็นกุศลก็มี ที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤะก็มีสังขารขันหมวดละสได้แก่สังขารขันที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นมรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีสังขารขันหมวดละหได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขขินเซก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขินเซก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสสินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโทมนัสสินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเปกขินสีก็มีสังขารขันหมวดละสมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละหได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักษุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่โสดสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่คานสัมผัสเจตนาที่เกิด แต่ชิวหาสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนโสัมผัสสังขารขันหมทละหมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวทละเจ็ดได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขรสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนธาตสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตสัมผัส สังขารขันหมวดละเจมีด้วยอาการอย่างนี well ้สังขารขันหมวดละ8ได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุดสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่ถอรคตด้วยสุขก็มีที่สหรรคด้วยทุกข์ก็มีเจตนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสังขารขันหมวดละแป มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขัหนหมวดละ9ได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จกักษุสัมผั ส, จ ส, ผ ส, จ ส, ผสเจตนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็ ม, ทกกมีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤษตก็มีสังขารขัหนหมวดละ9มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขัหนหมวดละสิบ ในแก่เจตนาที่เกิดแต่จกักขุดสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่สห h o r r ด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีเจตนาที่เกิดแต่มนโนธาตุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มนโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤะก็มีสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้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 สังขารขันที่สหอรคตด้วยปีติก็มีที่จะหอรคตด้วยสุขก็มีที่จะหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสังขารขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีสังขารขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มี ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีสังขารขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสังขารขันที่เป็นของเสฆบุคคลก็มี ที่เป็นของอาศัขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเกขบุคคลและอเสัขบุคคลก็มีสังขารที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มี AP Me ที่เป็นอัปปามะนะก็มีสังขารขันที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มี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 สังขารขันหมวดกันหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปปะยุทธ์จากเหตุก็มีสังขารขันที่เป็นเหตุและมีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี สังขารขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีสังขารขันที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสังขารขันที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีสังขารขันที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มี สังขารขันที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปประยุทธ์จากอาสวะก็มีสังขารขันที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็ม umm ีสังขารขันที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มี ที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสังขารขันที่เป็นสังโยชตก็มีที่ไม่เป็นสังโยชตก็มีสังขารขันที่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มี สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปปยุทธ์จากสังโยชน์ก็มีสังขารขันที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีสังขารขันที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีสังขารขันที่วิปประยุทธ์จากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี ที่วิปปยุทธจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชนก็มีสังขารขันที่เป็นคันทะก็มีที่ไม่เป็นคันทะก็มีสังขารขันที่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีสังขารขันที่สมัมปยุทธด้วยคันทะก็มีที่วิปปยุทธจากคันทะก็มีสังขารขันที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะก็มี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 สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยโยคะก็มีที่วิปยุทธจากโยคะก็มีสังขารขันที่เป็นโยคะและเป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่เป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่เป็นโยคะก็มีสังขารขันที่เป็นโยคะและสัมปยุทธ์ด้วยโยคะก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโยคะแต่ไม่เป็นโยคะก็มีสังขารขันที่วิปยุทธจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มี ที่วิปปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสังขารขันที่เป็นนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสังขารขันที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีสังขานขันที่สัมพยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปปยุตจากนิวรณ์ก็มีสังขารขันที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี ที่เป็นอารมณ์ของนิวร์แต่ไม่เป็นนิวร์ก็มีสังขารขันที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวร์ก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์แต่ไม่เป็นนิวร์ก็มีสังขารขันที่วิปยุทธ์จากนิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวร์ก็มีที่วิปยุทธ์จากนิวร์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวร์ก็มีสังขารขันที่เป็นปรามาตก็มีที่ไม่เป็นปรามาตก็มี สังขารขันที่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตกก็มีสังขารขันที่สัมประยุทธ์ด้วยปรามาตกก็มีที่วิปปยุทธจากปรามาตกก็มีสังขารขันที่เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตกก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตกก็มีสังขารขันที่วิปปยุทธจากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มี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 สังขารขันที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานก็มีสังขารขันที่เป็นกิเลตก็มีที่ไม่เป็นกิเลกก็มีสังขารขันที่เป็นอารมณ์ของกิเลกก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลกก็มี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 ที่ไม่ต้องประหาร ด, ด้วยโสดาปฏิมักก็มีสงัสงขารขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีสังขารขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีสังขารขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี สังขารขันที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสังขารขันที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีสังขารขันที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสังขารขันที่สะหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สะหรคตด้วยปีติก็มีสังขารขันที่สะหอรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สะหรคตด้วยสุขก็มี สังขารขันที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสังขารขันที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีสังขารขันที่เป็นมรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นมรูปาวจรก็มีสังขารขันที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีสังขารขันที่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มี ที่ไม่นับเนื่องในวัฏจัก์ก็มีสังขารขันที่เป็นเหตุนําออกจากวัฏจัก์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ก็มีสังขารขันที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีสังขารขันที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีสังขารขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มี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 สังาขารขันหมวดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้ทุกกะมูละกะวาลจบติกะมูละกะวาล96สังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สำปรยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันหมวดละสาม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 สังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันท yes um. ี่ส yes, ัมบยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เ mm ป็นเหตุก็มีที่ไม allora <uh ่เป็นเหตุก็มีสังขารขันหมวดละสได้แก่สังขารขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤะก็มีสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้1 0ึเอ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 หนึสังขารขันหมวดละ1ได้แก่สังขารขันที่สัมประยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสอได้แก่สังขารขันที่สำปรยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปปยุทธ์จากเหตุก็มีสังขารขันหมวดละ3ได้แก่สังขารขันที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสังขารขันหมวดละสิบ มีด้วยอาการอย่างนี้1นสึสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุตได้จิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นเหตุและมีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันหมวดละสได้แก่สังขารขันที่กรรมันประกอบได้ตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานก็มี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 มีด้วยอาการอย่างนี้105สังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมประยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีสังขารขันหมวดละสามได้แก่สังขารขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจารณ์ก็มีสังขารขันหมวดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้106สังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสังขารขันหมวดละสได้แก่สังขารขั น, นขที่สหอรคตด้วยปีติก็มี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 ได้แก่สังขารขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาก็มีสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้หนึ่งรสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สำปรยุทธ์ด้จิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นอาสวะก็มี ที่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันหมวดละสาได้แก่สังขารขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเปื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้1 0ึ่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 สังขารขันหมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้110สังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปประยุทธ์จากอาสวะก็มีสังขารขันหมวดละสได้แก่สังขารขันที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอาเสกบุคคลก็มี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 สังขารขันหมวดละสได้แก่สังขารขันที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มีที่เป็นอัปปมาณะก็มีสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้1นึสังขารขันหมวดละหนึ่งได hmm, ้แก like ่สังขารขันที่สัมปยุทธด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธด้วยอาสวะก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันหมวดละสได้แก่สังขารขันที่มีปริฏตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหาคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มีสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้หนึสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วจิต สังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่วิปยุจจากอาสะวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มีที่วิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสังขารขันหมวดละสาได้แก่สังขารขันที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปรานิค ก, ก็มีสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้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 ที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีสังขารขันหมวดละ10บมีด้วยอาการอย่างนี้หนึสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีสังขารขันหมวดละสา ได้แก่สังขารขันที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีสังขารขันหมวดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้1นึสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์ก็มี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 ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีสังขารขันหมวดละสได้แก่สังขารขันที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสังขารขันหมวดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้1นึสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้จิต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 1นึสังขารขันหมวทละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธิจิตสังขารขันหมวทละสองได้แก่สังขารขันที่วิปปยุทธจากสังโยตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มีที่วิปปยุทธจากสังโยตและไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มีสังขารขันหมวทละสได้แก่สังขารขันที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มี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 ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีสังขารขันหมวทละเจมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวทละเจอีกหมวดหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สมัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมัสุขเวทนาก็มี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 มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละ24ได้แก่เพราะจักขูดสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤะดหนึ่งจึงมีเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย พราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤิตหนึ่งจึงมีเจตนาที่เกิดแต่จักขูดสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสังขารขันหมวดละ24มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละ24หมวดหนึ่งได้แก่เพราะจักขูดสัมผัสเป็นปัจจัย สังขารขัน ธ, ธนน์ที่สัมปยุธทธ์ด้วยสุขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอาทุกขธรรมสุขเวทนาหนึ่งจึงมีสังขารขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตลลนตลปลตเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเจตนาที่เกิดแต่จักุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัส เพราะโสดสัรรมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานสัมผัสเป็นปัจจัยเพระาะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัรรมผัสเป็นปัจจัยพรหมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาหนึ่งจึงมีสังขารขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี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 ที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตถุหนึ่งจึงมีเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันธ์ที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่ง ที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกหนึ่งจึงมีเจตนาที่เกิดแต่จักขูสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสังขารขันหมวดละสามสมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดกระมากอย่างได้แก่เพราะจะักขูสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอภพยากรหนึ่งที่เป็นกามาวจรหนึ่ง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 ที่เป็นอัพยากฤตศหนึ่งที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตทุหนึ่งจึงมีเจตนาที่เกิดแต่จกักรสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสังขารขันโหมดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันโหมวดละมากอย่างอีกหมวดหนึ่ง ได้แก่เพราะจะขูดสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขรมสุขเวทนาหนึ่งจึงมีสังขารขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภาย น, า น, านอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกามาวจรก็มี